คงจะไม่ 16 มกราคมปี 2430 โยมพ่อชื่อ ท่านเกิดที่บ้านนาโป่งตำบลหนองในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อว่าหยางครับ แม่มีความยินดีที่ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่เกิดเล็กๆแต่ถ้อยคํา พร้อมก็ตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นมา ผิวกายเหลืองอารามงามจับตาเหลือเกินพอยายตื่นขึ้น หลวงปู่แหวนมีญาติสนิทกว่าหนึ่งมีศักเป็นน้าแล้วก็มีท่านวันหนึ่งยายก็เรียกเด็กทั้ง 2 คน ขณะนั้นหลวงปู่แหวนอายุได้ 9 ขวบแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากญาณมาเป็นแหวนหลังจากบวชเป็นสามเณรได้ 2 เดือนสามเณรนาฉายก็นี่สลดเสียใจเป็นที่สุดเพราะว่าเนนนาเมื่อเนนนา แล้วก็ทําให้ท่านมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์เป็นครั้งแรกเนนแหวนอีกว่าเนนจะบวช จนกระทั่งพระอาจารย์อ้วนผู้มีศักดิ์ เดินฝ่าเปลวแดดตรงเข้ามา ต่อไปในภายภาคหน้าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดท่านก็เลยหยุดการส่งน้ํา พร้อมกันนั้นได้เล่าประวัติเนนแหวน 2 พรรษาที่วัดโพชัย 14 ปีเคยเล่าเรียนนักธรรมมาจากวัดเดิมบ้างแล้วพระอาจารย์สิงห์ท่านก็พิจารณาลักษณะ ท่านก็ยินดีรับเนนแหวนไว้ในประมาณ 70 รูปเนนแหวนก็ตั้งใจเล่าเรียน ไม่พูดสนุกสนานเฮฮากับหมู่มักจะนั่งพิจารณา ประการหนึ่งก็คือเอามาช่วยสงเคราะห์ญาติ เพียงแต่นึกอธิษฐานจิตน้อมเอา แต่ปฏิภาณอันแท้จริงของเนนแหวนไม่ยินๆแต่มุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งใน กลับไปจําพรรษาที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งริมฝั่งแม่น้ําเอ่อที่เป็นบ้านเกิดที่จังหวัดๆหมู่บ้าน ไม่ต้องการจะคลุกคลีกับคนหมู่มากไม่อยากวุ่นวาย ก็ไปขออนุญาตหลวงอาอ้วนแล้วก็ ไม่มีวัดวาอารามเป็นที่พำนักพึ่งพาโคนต้นไม้ถือนถ้ำเหงื่อหิน ขณะที่พระอาจารย์สิงห์อยู่ที่ท่านพระอาจารย์เสาพระอาจารย์สิงห์ ร่างกายและจิดใจ変ี่ยวกล้ำต่อความยากลำบากนาจึงกระทั่งกลายเป็นปกติじนกระทั่งกลายเป็นปกติยิ่งโอดอยากลำบากเท่าไหลก็ยิ่งขาดกลาวกี่เลทให้เบาบางลงเท่านั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็ค่อยๆผุดขึ้นมาทีรา hott roster ไม่ใช่สติปรรยาพิจารนาก็เห็นจริงระหว่างท่องเที่ยวทุศดงอยู่นั้นก็มี legislation ภัทรดงส่วนมากมักจะเป็นศิษย์สาย พระแหวนก็พยายามตามหาเรื่อยมา ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นดังนั้นและแม้ว่าพระตื้อกับ เมื่อนั้นจึงจะดั้นด้นไป พระแหวนก็รู้สึกกังวลแต่ก็นั่งลงหลับตาภาวนาเงียบก็มีคน คนหาปลาก็เลยนิมนต์ท่านลงเรือเค้าจะพาข้ามไปให้คนหาปลาก็พายเรือพาพระๆเค้า พระตื้อท่านก็บอกว่าเป็นกุศลของโยม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 แล้วอีกประการนึงก็คงเนื่อง 2 อย่างนี้ก็เกื้อหนุนให้ แล้วก็พื้นที่ว่างเปล่ามีมากก็ทํา การเดินในวันแรกบนแผ่นดิน แล้วนมัสการเรียนถามว่าพระคุณ พระตื้อก็ถามว่าที่ว่ามีอันตรายแอบแฝงน่ะเป็นอันตรายยังไงให้โยมโยมก็ ชาวบ้านแถบเนี้ยไม่มี แต่ว่ามุ่งหน้าข้ามเขาใหญ่เบื้อง ทุกอย่างก้าวมีสติควบคุมอิริยาบถตลอดเวลายิ่งไต่สูงขึ้นไป ผ่านลําห้วยแต่ละแห่ง หรือว่าสัตว์ป่านี้มันอาจจะหวาด เป็นละเมาะไม้บางแห่งก็มีพงหญ้าขวางกั้นก็ต้องหา พระแหวนกับพระสื่อก็มองหาที่ๆบนฝั่งธารเป็นที่ราบพอ 2 คัน 10 วาจาก เวลานั้นแสงตะวันลับเหลี่ยมเขาไปแล้วความ สักครู่พระตื้อก็ออกจากกรดบ้างมาเดินจงกรมที่บริเวณหน้ากรดโดยสถานที่อืมคําเดียวแสดง เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งซึ่งยังคาดๆทั้งยังฝึก เสร็จแล้วเวลานั้นก็ปรากฏเสียงกรีดร้องโหย พระตื้อก็ถามบอกว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ วะอื่นถูกตัดขาดออกไปเมื่อสับประ ตรงกึ่งกลางระหว่างกรดพระทุดง 2 รูปที่แขวนอยู่ หัวเหมือนกับบัวควายมีเขางอกยาวออกมาทั้ง ตัวแต่ว่าขนลุกสู้ไว้ที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นปรากฏร่างขึ้นลม เสียงคร่ำครวญโหยหวนเหมือนกับร้องไห้จากความ เขาแบกบาปหามทุกข์อันมหันมหาเราเพื่อหวังอสุรกายแล้วเขาสร้างกรรมท่านท่านถามก็ดูสิ สติความจําระลึกได้เลอะเลือนเพราะเค้าเสวยทุกข์แผดเผาการถามทางสมาธิโยมโยมสร้างบาปกรรมอะไร ลุ่มหลงในตัณหาความโลภอย่างหนักความโลภเป็นเหตุปัจจัยให้มหปุถุเกิดเป็นปีศาจ ด้วยตระหนักว่าผลแห่งกรรมน่ะมันของใครของมันคนอื่นจะช่วยแบ่งเบา แล้วก็แนะนําให้เอาๆที่ได้ใจความๆผ่อน ร่างร้ายยกมือนมัสการ แล้วก็มีโทรษะจริตแรงกล้าก็มีโทสะจริตแรงกล้าคิดประทุษร้าย ครั้นตายไปอกุศลกรรมนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยให้มาผุดเกิดเป็นเปรตอสุรกายสิงสู่อยู่บนภูเขาสูงซึ่งน่า อาจจะเป็นไปด้วยความต้องการมา ไม่ให้พระทุดงข้ามทั่วเขาลูกนี้ด้วยเข้า ผลแห่งกรรมที่พระแหวนและพระตื้อๆจึง ได้ๆแล้วก็น้ําตาลงบมาแว่น ย่อมไม่มีอาหารขบฉันแน่ไม่มีอาหารขบฉันแน่ต้องทนอด ประเทศลาวในสมัยนั้นอุดมปัจจุบันพื้นที่อันเป็นลำ ราวได้ว่าเป็นป่าลึกหรือว่าป่า ผ่านความสงบสงัดของพงไพรเปลี่ยวร้างโดยยึดเอาทิศทางจาก ได้อาศัยน้ําใสไหลซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรในห้วยก็ปรากฏมีเสียงประหลาดสงร่าง เสียงก๋อยก๋อยก๋อยดังรงงมไปหมดพระตื้อท่านก็ร้องถามจักรตบอก แล้วก็มีส่วนสูงไม่เกินเด็กไฟถูกจุดอายุ 14-15 เนี่ยผม จากลักษณะที่เห็นเนี่ยพอประเมินว่า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 อย่างนั้นท่านตัวสำรวมจิตเข้าสู่สมาธิอย่างแน่ว โดยรอบรอบคนป่าเหล่านี้ก็เคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วก็ยิง จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นของวันใหม่เช้าวันนั้น สัตว์หากล่าสัตว์ไม่ได้สัตว์ใหญ่เอามากินหากล่า ดำรงชีวิตเช่นเดียว คนกลุ่มนี้ก็คือพวกขาละแดนนั่นจิตเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็น ยังแสดงอาการตื่นกลัวต่อพระทุรดงอย่างเห็นได้ชัด 2 มือถือผลไม้ป่าแล้วก็ก้อนเนื้อย่างมาด้วยแสดงว่าคนกลุ่มนี้ ผลไม้บางชนิดให้พระทุรดงๆสุกๆเพราะไม่รู้ว่าไฟมายังดิบ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 เมื่อพวกเขาเชื่อถือศรัทธาต้องการเหลือตามความเชื่อของเขาก็คิดจะลองสงเคราะห์ด้วยความเมตตาดังนั้น แสดงว่าพวกนี้ยังชีพด้วยการล่าสัตว์ พระก็ไม่สามารถจะรักษาได้ถูกต้องกับพระตื้อไม่มียา ขออำนาจพุทธบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าๆอาศัยความ จากนั้นพระอุดงทั้ง อยากลำบากลำเคนขณะจาริกอย่างเกิดมานะพยายามตัดขาดสายใยแห่งกิเลสทั้งหลายให้หมด ทั้งพระแหวญและพระตื้อคนเดินทางหวนกลับประเทศไทยโดยทางกอเกร็ดสำหรับเหตุ เส้นทางซึ่งพระทุโดงทั้งสองจาริกผ่านไป เช้ารุ่งขึ้นท่านพระแหวนซึ่งนั่งอยู่บนพื้นสลาสองก็เอามือสองข้างยันพื้นกระดานไว้โคจรบินทบาดไปที่หมู่ ท่านแหวนเป็นอะไรอ่ะเอ๊ะคงไม่พิจารณาดูก็รู้ว่าการแน่ท่านก็ แต่จะให้พระตื้อยอมพ่ายแพ้ต่ออิทธิฤทธิ์พูดผีวิญญาณง่ายๆไม่ใช่วิสัยพระตื้อท่านก็คมคูด่า คราวนี้ถ้าเอ็งไม่ออกจากร่างใกล้ๆหน้าพระแหวนเพื่อจะคุมขู่ผีที่เข้าๆถ้าไม่ออกแล้วๆผี พระแหวนถึงได้กระดุกกระดิกได้พอรู้ตัวเป็นปกติๆบอกว่าๆน่ะท่านตื้อเช้าวันนั้นหลังจาก พระแหวนไม่ยอมอยู่ด้วยแล้วเก็บอัฐบริขารเสร็จก็เดินล่วงหน้าไปเพียงลําพังปล่อยอาจารย์ตื้อรับสมาธิเดินจงกรม ขณะอยู่ในสมาธิก็ได้เกิดนิมิตเห็นผีผู้หญิงฮะ ฉันตายทั้งปลมลูกตายในท้องก็เอามาใช่ไหมที่ทําต่อพระภิกษุอ่ะใช่ทําไม ไม่รู้ดีรู้ชั่วถึงเพียงนี้ เพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏอย่างนี้ ผีตายทั้งกรมนางนี้หลังจากได้รับ พระตื้อพักอยู่ที่ศาลาแห่งนี้ แกยงอย่าทำล่วงเกินพระทุโดงที่ท่านจาริกผ่านมาเป็น อีกพรรษาหนึ่งหลวงปู่แหวนมีโอกาสจำพรรษากับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมี่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 โดยมีพระอาจารย์มั่นควบคุมท่านบันทึกไว้ว่าการแนะนํา ครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วน 32 เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความๆก็จะปรากฏเป็นใน คำบริกรรมพุทโธก็ไม่จําเป็นเพียงกําหนดจิตก็จะสงบ ที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทำลายกิเลสและของทุกข์ซึ่งจิต ก็สอนเหตุตรานะผมขนเล็บวนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนที่เอากายนี้แหละเป็นมรรคเครื่อง นักปฏิบัติธรรมถ้าละทิ้งการพิจารณาร่างกายเสีย ก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระ องค์กรรมคืออวิชชามันอยู่ไหนถ้ามันไม่ จังหวัดอุดรธานีนี้วันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ ท่านก็ปัดกวาดทําความสะอาดก็ทําทางเดินจงกรม ร่างนั้นยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่พูดไม่กล่าวอะไรๆค่อยๆหาย แม้ว่าหลวงปู่แหวนจะแผ่เมตตาให้ก็ยังยืนชะงอกงามเหมือนจะคมคูให้หวาดกลัวเหมือน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 แต่คงจะเป็นจํานวนมากเนื่องจากเอาไก่ไปชนหลายปี หลวงปู่แหวนก็ถามว่าที่ไก่บาดเจ็บน่ะมีอาการยังไงเปรตก็ตอบว่าไก่ ทำอยู่อย่างนี้หลายปีกระทั่งเจ็บป่วยได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเป็น เป็นที่เข้าใจว่าเค้ายังหวงป่าไม้ใน แท้ที่จะล้มป่วยไม่สบายเปตห่วงป่าไม้บริเวณนี้เพราะว่า เปรดตนด้วยตัวท่านเองแล้วก็แสดงทําสั่งสอนจนเปรดยอมละทิ้่งความห่วงในรากสักกระและยอมไปเกิดใหม่โดยดีในคืนที่เปรดอําลาจากใบปรากฏมีเสียงกึกกล้องเหมนฟ้าผ่าลงมากลางป่าช้าวันรุ่งขึ้นึ่งชาวบ้านก็ออกมาสอบถามพระอาจารย์มั่นว่าเสียงที่เขาได้ยินนําไปเสียงอะไรท่านก็บอกว่าเจ้าของป่าเขาละทิ้งถิ่นไปแล้ว ภายอันตรายไม่มีแล้วอันตรายไม่มีแล้วนับแต่นั้นพื้นที่ดังกล่าว ผู้ใคร่ในธรรมต่างปรารถนาจะได้ฟังเทศน์จาก ก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯหลวงปู่แหวนไม่เคยย่างไกลเข้ามา เมื่อถึงยามเย็นจวนจะพรบท่านก็โปรดญาติโยมก็ได้อาหารตามมีตาม เช่นขอเครื่องล้างของขลังขอหวยมีน้อย นอกจากเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เชื่อ ก็เป็นโอกาสให้หลวงปู่แหวนในป่าที่มีศาลปู่ตา ให้ละเลิกมิจฉาทิฏฐิยุตติสัทธาพูดผีทั้งหลายบางหมู่บาง 안녕ft dammit understanding outside this old swamp object and ซึ่งท่านก็ได้อธิบายให้รับรู้ด้วยเหตุ หมู่บ้านชุมชนไม่มีอยู่เลยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้ ชาวพม่านิยมขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์ไม่ขาดสายมองลงมา แล้วก็พาหลวงปู่แหวนเข้าไปใน 1 ช้อนแกง 1 ช้อนเดิน 10 บ้านยังได้ โดยสานเรือเดินทางไปขึ้นที่เมือง ที่นั่นท่านพอใจในสถานที่วิเวก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 โดยออกไปทางด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าไปใน ภาวะอย่างนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบําเพ็ญธรรม หลวงปู่แหวนอยู่ในเชียงตุงระยะ 1 ก็ทุดง กลับจากเชียงตุงหลวงปู่แหวนก็เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขึ้น เจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าพระยา วาระนั้นเจ้าปี 2470 ท่านเจ้าขุนอุบาลีก็ได้ให้หลวงปู่แหวนเปลี่ยนยัตติเป็นพระธรรมยุตในปีนั้นอากาศภาคเหนือ สามารถบอกเล่าภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างละเอียดครั้ง รถก็ติดลมเนื่องจากเวลานั้นเป็นเดือน 7 ฝนตก เช้าวันรุ่งขึ้นไปบินทบาทที่หมู่บ้านนั้นพอฉันเสร็จแล้ว การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากๆจนเวลาพลบค่ําก็ถึงศาลเจ้าพ่อประตูผาศาลๆ จากนั้นก็ขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ประสาททั้ง ท่านคงกำหนดจิตแน่วแน่อยู่ๆที่เข้ามา มีอาวุธคือเขี้ยวและเล็บทรงอานุภาพสําหรับใช้ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร หากยังมีความผูกพยาบาทด้วยความโกรธ ด้วยเหตุนี้หลวงปู่แหวนจึงตัด แต่บริเวณแถบนี้ไม่มีสถานที่พักอันเหมาะสม มองขึ้นไปข้างบนก็เห็นยอดไม้ไหว ไอ้ครั้งจะกลางปลดกันฝนก็ทําไม่ วันนี้เค้าพأเจ้าจะเดินไปลำปลาง แต่เกิดอการแค่หมดกำลังที่จะไปข้างหน้า ถ้าบุญบารมีของเค้าพأเจ้ามีอยู่ จะได้บําเพนนพรมจรรรณะ�를ทำที่สุดแห่งทุกแล้ว ขอฟ้นจะได้ตกลงมาตรงที่เค้าพأเจ้านอนอยู่เลย แล้วแผ оянster Hassan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 อธิษฐานเสร็จหลวงปู่แหวนๆเป็นที่อัศจรรย์ที่ ฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นานฝนตกจะซาลงจนกระทั่งขาดเม็ดฝนหายแล้วแต่อาการไข้ของหลองปู่ยังไม่รทราเอาเสียเลยท่านกลมตัวโลงนอนต่อแล้วก็หลับประได้ความอ่อนพรีย์มารู้ตัวลืมตาตื่นอีกครั้งก็ดึกมากแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเหนียวเหน Freud ม่ ท่านก็ต้องประยุงร่างหิ้วกาน้ํา การเป็นความพอใจของท่านธุดงค์ของหลวงปู่แหวนเพียงลําพังองค์เดียวเป็นความพอใจของท่าน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 ถิ่นของสัตว์ป่าเท่านั้นประมาณกลางกลางเส้นทางนี้ ท่านก็เข้าไปพักๆๆหลวงปู่ท่านก็รีบ ท่านเล่าว่าพวกเสือนี่สามารถจะเลียนเสียงพวกเก้งพวกกวางให้เหมือนได้เมื่อเสือทําเสียงร้องเลียนเสียงเก้ง แล้วก็ยังมีมนุษย์เข้ามาเบียดเบียนสัตว์ซ้ําเติมเข้าไปอีก 3 ครั้ง 3 ครา ทันถึงไม่ต้องออกไปเก็บฟืนเอง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 บอกเดินไปเรื่อยๆจนสายมากแล้วก็ไม่คน 3 คนหามของเดินสวนทางมา 3 บอกว่าหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยท่านเดินผ่าน เย็นน่ะถึงจะถึงแล้วผู้หญิงพวกนั้นก็ถามว่าหลวงพ่อน่ะฉันอาหารมาแล้ว จากนั้นก็อนุโมทนาให้พรผู้หญิงทั้ง 3 ก็มี ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยพักอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่า หลวงปู่แหวนพักที่วัดในหมู่บ้านนั้น 2 คืนพอมีๆซึ่ง บางท่านเคยถามเขาว่าบ้านก็เอาข้าวกับผักมาตามธรรมชาติบาดท่านเคยถาม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 ถ้ำนี้เป็นๆถ้ำก็มีลําธารไหลผ่านไม่ 3-4 หลังคาเรือนท่านไปบิณฑบาตๆท่าน ต่อมามีถึงเวลาเช้ามืดบ้านที่หมู่บ้านใหญ่ใน หลวงปู่แหวนเห็นว่าชาวบ้านพากันมา ถ้าจะติดต่อกับจังหวัดอื่นต้องเดินทางด้วยเท้าเท่านั้นทางลัดที่ เพราะว่าเท่ากับไปอยู่ในท้องที่ธุระกันดาลห่างไกลความเจริญทุกอย่าง 3 ครั้งถึง ต่อมาชาวบ้านก็ถามว่าไอ้ตัวคุ้นเนี่ย คนที่ถูกตัวคูณกัดมากๆจะเห็นผิวหนังตามแขนขานี่ลายพร้อยไปหมดชาวเขาที่ใช้ผ้าพันขาลงไปถึงข้อเท้าก็เพื่อป้องกันตัวคูณกัดนี่เองเมื่อออกพรรษาแล้วพระครูอริยมงคลซึ่งเป็นเชื้อสายไทยใหญ่มาชวนหลวงปู่แหวนไปเชียงใหม่ด้วยกันเนื่องจากได้รับใบบอกจากทางการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จขึ้นประทับเชียงใหม่ จะทนรบราวไม่ได้ก็เลย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของทางราชการแล้ว Laborator and forces till the วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังดำเนินจิตอยู่ในความเพียร ก็ได้นิมิตเห็นโยมพ่อใส่เสื้อผ้าใหม่ทั้งชุดมาปรากฏก็ต่ออ่าถอนจิตออกมาคิดพ่อคงจะสิ้นอายุเพราะได้ยินได้ฟังมาว่าถ้านิมิตเห็นพ่อแม่ใส่เสื้อผ้าใหม่ ขณะนั้นปรากฏมีแสงพุ่งตรงมายังท่านแสงนั้นลอยๆพื้นกลางลําแสงนั้นเป็นโยมพ่อแต่ จากนั้นภาพของโยมพ่อก็หายวับไปจึงเป็นอันรู้แน่ ดำรงอยู่อย่างคงที่เกิดมาก็ต้องมีดับเกิดมาเพื่อ วันหนึ่งเมื่อท่านเข้าที่ภาวนาก็เกิดความระลึกถึง หลวงปู่แหวนก็ทราบว่าโยมแม่สิ้นอายุไปอีกคน มีที่บินทบาดพอเลี้ยงชีวิตไปได้โดยไม่ทํา มาถึงถ้ำแก่งหลวงปู่แหวนก็พบ พระอาจารย์มั่นก็สั่งให้แยกย้ายไปจำพรรษาที่ไกลๆเพื่อจะได้ หลงป рассказ เปร Wing Studio ขี้เครื่อวัonn ของเมืองช่าคือนวิเว Leah Tree ได้โดยแยกกันอยู่คนละที่บำเพ็ญธรรมที่เทือเขาเชียงดาวโดย ก็ทําให้พระพออยู่ได้ไม่อดอยาก ต่อมาก็เกิดโรคระบาดซ้ําเติมเข้า แล้วก็หวาดสถานการณ์เลวร้ายก็ยังไม่ดีขึ้นโรคระบาดว่าเป็นเพราะกรรมของพวกเขาเองลุกลาม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 ทำให้พวกมิจฉาชีพนี่แยกย้ายหนีหายไปหมดสิ้นโรคระบาดก็หายไปความ ายในทํามหลวงมีทําพญนาคอยู่ด้วยโดยแยกขึ้นใไปทางซ้ายมือจะเป็นทําเล็กๆอยู่เหนือทําหลวงอีกชั้นหนึ่งที่ทําํานี้พื้นทําเป็นก้อนหินรูปกงจักกับดอกบวมีพญนาคเว้าอยู่ใต้ทํานี้พญนาคตนนี้มีจริิตนิสัยคอยจ้องจับผิดพระที่เข้าไปปฏิบัติในธรเวลาพระนั่งภาวนากระดูุกกระดษฐเคลื่อนไหวพญนาคก็จะกล่าวตําหิิด ขนองกายเหมือนกับเด็กๆเวลาพระเดินสะดุดก้อนหินดังแกรกกราก ท่านพระอาจารย์มั่นก็เคยเข้าไปภาวนาที่ถ้ำพญานาคก็ไม่เว้น เพราะเวลาสนใจออกไปครั้งไหนจะเจอพญานาคคอยจ้องจับ ไม่มีท่านใดจะเข้าไปอยู่ได้นาน วันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำถึงจะมารวมกันณที่อยู่ของท่านพระอาจารย์มั่นเอ่อ บนดอยสูงที่โอบล้อมเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นสายหมอกมันครอบคลุมๆ กลางแมกไม้สูงขนาดพระสุทดงกรรมฐานรูปกําหนดเท้าให้ยกย่าง จิตของเวลานั้นเย็นมากแล้วตรึงซึ่งแปลเปลี่ยนไปตามปกติวิสัยของมัน ทันนั้นก็คล้ายมีสายลม มีร่างของอะมนุษย์รากฏขึ้นมันเกี่ยวเท้าไว้กับกิ่งยางบนย่อสูงและหอยหัวลงมาเรียยกกับพื้นดินตลอดร่างก็บวมฉุดําครั้ําศกปรกมีเพียงเศษผ้ารุ่งริ่งพันุ์ไว้ตรงสโภกผื้นเดียวใบหน้าคนน่าเกลียดหน้า่ากลัวและเกินตาหลือถลนขุแดงเหมือนตาสัตว์บาทเจ็บที่กําลังทุกขโทรมมัน แล้วมันก็กําลังควายร่างไป ราบจนกระทั่งครบเวลาที่กำหนดเอาซึ่ง คืนนั้นใต้เงื้อมผาที่อับ เรื่องราวเรื่องแสงอุทัยครองจีวรสภายบ่าเรียบร้อยก็ออกโคจรที่หากิน ตั้งแต่อรุณเบิกฟ้าเหมือน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 จ้องมองมาที่หลวงปู่แหวนที่เดินจงกรม หลวงปู่แหวนผู้ไม่พลั่นพรึงแม้แต่ความตายท่าน แล้วก็เสียงกิ่งยางใหญ่ก็เสียงกิ่งยางใหญ่เหมือนกับจะ อาจไม่ใช่จะต้องลองสอบถามดูกายหลอกหลอนด้วยเจตนาร้าย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 กระผมทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสในและช่วยผมได้เลยหลายครั้งแล้วที่ประกฏกายให้คนอื่นเขาเห็น จนกระทั่งผู้พ่อเป็นเค้าหนีหายไปหมดนี้ก็เล่า ก็มัวเมาอยู่แต่ในความชั่วมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ ได้โดยเฉพาะความเคารพนับถืออย่างงมงายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระพุทธรูป <ๆ. S 1> ความฮึกเหิมทรณรงค์ก็ได้เพิ่ม ฝ่ายเจ้าซัพไมกодเตรียมตั้งรับต่อสู่สุดลิต ไม่ย้อมให้พวกโจนขมเหěNg Onda had to set up จะกลับไปเข่นฆ่าเจ้าสัตว์ ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ เมื่อและท่านได้รับรู้ความเป็นมาของตัวอย่างนี้หลวงปู่แหวนและท่านได้รับรู้ความเป็นมาของ และเป็นกรรมหนักที่ตัวมันเอง สู่อามนุษย์ผู้เราร้อนทุกข์ทรมานจากกรรมหนักของตัวเองเมื่อ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 ซึ่งอมนุษย์ที่ท่านเคยประจนมาข้าหรือไม่ก็เราไม่เคยมีตนไหนใช้คําว่าผมเลยปี พ.ศ. แต่แล้วนั้นท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายคงบําเพ็ญสมณธรรม พระอาจารย์หนูก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมท่าน เมื่อไปถึงวัดพระอาจารย์หนูก็ตกใจ ก่อนแนะนําว่าต้องผ่าตัดเอาหนองกับเนื้อส่วนที่เน่าทิ้งไปถึง ผ่าล้มผ่าไฟตะฮักหลวงปู่แหวนเออจากนั้นหลวงปู่แหวนก็สำรวม ระหว่างที่หมอจี้ผ่าตัดหลวงปู่แหวนนอนก็ถามท่านอืมก็ หลังจากผ่าตัดก็ไม่มียาแก้ปวดถวาให้ท่านฉันบันทําความเจ็บปวดซึ่งท่านกัม suivreแสดงอาการเวธอนาอะไรออกมา คงมีความเป็นปกติตลอดเวลาคลายก็ไม่ได้ผ่านกันผ่าตัดมาก่อนซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาคงได้ร้องโอดโหยก Legends ไม่ต้องแต่ถูกคมมีต หลวงปู่ก็บอกว่าวันนี้เบาๆหน่อยนะหมอ เนื่องจากขณะนั้นเป็นการเข้าพรรษาก่อนไปก็ๆดีขึ้นเรื่อยๆจนถึง พระอาจารย์หนูมากิตติตรองผู้เดียวว่าหลวงปู่ สภาพวัดยังเป็นป่าล้วนๆปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆก็ขาดแคลนปี 2505 แต่หลวงปู่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงคืนหนึ่งว่าจะมาอยู่ด้วยนะพระอาจารย์หนู รับนิมนต์แล้วก็นึกถึงเสียงหลวงปู่แหวนที่เคยดังเข้า ศรัทธาญาติโยมชาวแม่ปังก็ตอบที่วัดบ้านแล้วหลวงปู่แหวน วันนี้มีโยมศรัทธามาด้วยกี่คนล่ะพระอาจารย์หนูก็ตอบว่าเอ่อมาด้วยกัน ดังนั้นหลังจากเสร็จกิจวัตรบ้านปงแล้วหลวงปู่แหวนก็ร่วมทางมาพร้อมกับพระอาจารย์หนูและโยมบ้านแม่ปังอีก 2 คนเส้นทางระหว่างบ้านปงกับบ้านแม่ปังก็ไกลพอสมควรทีเดียวจากบ้านปงต้องมา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 แต่ท่านก็เดินเก่งเดินทนเหมือนเดิมดอยแม่ปังในเวลา 18:00 ถึง 9 ชั่วโมงที่วัดดอยแม่ปัง หลวงปู่แหวนมีข้อตกลงกับพระอาจารย์หนูว่าท่านขออยู่ การบริหารวัดก็ดีกิจอื่นๆทุกอย่างว่าต่อไปท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนอย่างเด็ด ก็จะไม่ไปนอนรักษาในโรงพยาบาลจะก็ให้ดับไปสิ้นไปในป่าแห่งนี้ไปนอนรักษาในโรง และนับวันอาการก็กำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆสมัยนั้น เมื่ออาการเริ่มหนักขึ้นทุกทีหลวงปู่ บางแผ่นก็เป็นไม้ 24 ชั่วโมงซึ่งหลวงปู่แหวน กุฏิหลังนี้ญาติโยมเค้าเรียกว่ากุฏิ มารับภาระเรื่องหายาฉีดยาฉัน ขึ้นดอยมากราบนมัสการหลวงปู่แหวนพระอาจารย์หนู ในที่สุดอาการอาพาธด้วยโรคทรมานนี้ก็หายขาดเพราะ แล้วก็ยังก่อไฟเอาไว้เหมือนเดิมแล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 หลวงปู่แหวนบอกว่าเทวดาไม่ว่า ก็กล้ากระทำโดยไม่มีความละอายใจเอาซะ จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราไม่เช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูป วัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะนําไปป้องกันจะไปต้านทานอํานาจกรรมนั้นไม่มีแต่รู้ความหมายในวัตถุ เพราะว่าโลกเขาบูชานับถือแต่คนดีเรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องทําแต่ความดีอย่างนี้แล้วก็จากวัตถุเมื่อเวลาลูกศิษย์มีความสงสัยว่าพระก็ดีเหรียญก็ดีที่หลวงปู่ทําพิธีแผ่เมตตาให้มีคนนิยมกันว่าดีอย่าง ท่านไม่เคยปลุกเสกพระอะไรเลยเคยแต่สวดสรรเสริญท่านก็ใช้บทเอ่อที่ท่านเคยสวด คาถาสวดนมัสการคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะท่าน ไปปลูกเสกวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นมาสําหรับเป็นเครื่องท่านเป็นพระตั้งแต่เรายังไม่เกิดท่านเป็นพระพระพุทธะมาก่อนพวกเราร้อยหลายพันปีใครไปปลูก วัตถุที่เขาสร้างขึ้นนั้นสําเร็จเป็นพระแล้วโดยสมบูรณ์ๆท่าน ในความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์ความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะวัตถุๆที่จะมาปลุกเสก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 เออเวลาอย่างนึงเค้าก็ไม่บอกเราเออแทนที่จะไปๆว่าภาษาบาลีเออนี่เป็น หลวงปู่แหวนท่านช่วงบั้น 90 กว่าปีแม้ ในห้วงเวลานี้บารมีธรรมของหลวงปู่ ตกเป็นกี่ปากของญาติโยม วันที่ 13 กันยายน 2526 หลวงปู่แหวนประสบอุบัติเหตุล้มฟาด เวลาปีแล้วท่านมีอายุ 96 ปีแล้ว 28 กันยายนคณะแพทย์ก็อนุญาตให้หลวงปู่แหวนกลับไปพักผ่อนที่วัด 4 พฤศจิกายนอาการของ มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่อนเพลียอย่างรุนแรงพระบาทสมเด็จพระ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 วันที่ 23 มีนาคมคณะแพทย์ตรวจพบว่าอาการขาดโลหิตไปตึกสุจินโญ ไม่ทำงานสาเหตุเนื่องจากโลหิตไม่ไปหล่อเม 11 เมษายนหลวงปู่ ร่างกายอ่อนล้าหมดแรงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากจําเป็นต้องมีพระอุปถัมภ์ผลเปลี่ยนกันดูแลแม้กระนั้น แต่จิตใจเบิกบานแจมสายอยู่ในธรรมตลอดเวลาจิตใจเบิกบานแจ่มใสอยู่ 2527 วัน 27 ธันวาคมหลวงปู่แหวนมี 26 มกราคม 2528 พระบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 16 น. 20 พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยุคลบาทสมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง 14 เมษายน 2528 หลวงปู่ คณะกรรมการแพทย์ผู้รักษาห้อง ICU ตึกสุจินโญ 24 ชั่วโมงวันที่ 4 มิถุนายน 2528 คณะแพทย์ เนื่องจากหลวงปู่แหวนมีอาการอาเจียนขณะ 2 ชั่วโมงหลวง ซึ่งได้ผลในระยะแรกเท่านั้นเพราะต่อมากระเพาะอาหาร 2 กรกฎาคม 2528 เวลา 21:53 น. 53. พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโน เร่งประกายฉายแววแห่งความเมตตาปราณีเป็นนิดที่ การสวดพระอภิธรรม 26 กันยายน 2528 ครับคณะแพทย์และพยาบาลโรง มัคคนายกวัดดอยแม่ปังคือนายบุญชูบุญยฤทธิ์ นั่งไว้อะไรครั้งนี้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วหลังจากยืนถือไม้เท้าลักษณะเหมือนกับหลวงปู่ นังสือภิล์ท vorsก็ได้ประโภมภาพขาวนี้อย่างเกรียวกลาrica แล้วก็ติดตามไปสัมภาษณ์นางมาริวันภรรงสักซึ่งเป็นเจ้าของฟลลลลลลลลลลลบอกว่าตอนถ่ายภาพก็ไม่รู้ supports дост 大 tum หลวงปู่แหวนมีต่อพวกเราเหมือนตอนที่ หลวงปู่แหวนยังไม่ได้มาจำพรรษาที่แลคือสถานที่ที่หลวงปู่แหวนจำพรรษาคุณ ต่อมาคุณแม่ดวงก็โอนกิจการฟางไม้ทั้งหมดให้ทุกวันพระเหมือนเคยด้วยความศรัทธาเมื่อหลวงปู่แหวนย้าย แต่อาการของคุณแม่ด้วงก็ทรุดลงก่อนจะ 1 ให้นํา 2 เมื่อจะชาปนกิจ กำหนด 31 มีนาคม 2519 เวลา 17 น. ลูกชายของคุณแม่ด้วงขึ้นไปดอยไปนมัสการหลวงปู่แหวนแล้วก็นํากําหนด แต่เมื่อรู้วันและเวลาแล้วจะนั่ง รอบๆมีรูปชั่วคราวที่ทําการชาปนังกิสบเพื่อรอบเมรุมีสีเหลืองทองงามระยับไฟที่ประชุมเพลิงลุกขึ้นที่หัวโลงของคุณแม่ ในเปลวนั้นก็รวมตัวกันเป็นภาพที่ เจ้าภาพเชื่อกันว่าเมื่อตอนมานิมนต์หลวง